ทีนี้พระก็เอายามาพระจักคุบาลนีิสมาทานจะไม่นอนทั้งพรรษาจะไม่ใช้อิรยาบทนอนและใช้สามมิรยาบททีนี้ยาเขามีเงื่อนไขว่าต้องนอนหยอดจมูกเนี่ยนะจะต้องนอนหยอดจมูกพระจักคุบาล น, นั่งหยอดอย่างเงี้ยนะก็บอกหมอก็มาถามเป็นยังไงพระคุณเจ้าหายไหมก็บอกไม่หายแล้วพระคุณเจ้านั่งหยอดหรือนอนหยอดพระก็ไม่พูดอีกไม่พูดเลย เนี่ยเป๊ไปจะไปดูที่กุฏิท่านหน่อยเอ้ยไม่เห็นมีที่นอนเลยมีสามที่ก็ไปขอร้องว่าทำครั้งที่สองว่าโปรโดนอนหยอเธอเนี่ยนะก็ให้ยาเอกนัดอันใหม่ไปพระก็บอกว่าเดี๋ยวขอปรึกษาดูก่อนแล้วก็ถามว่าจะเอาอยัางไงดีจะรักษาสุขภาพหรือว่าจะรักษาไตรศีขาที่สมาทานเอาไว้แล้วก็ท่านก็ตัดสินใจว่าบอร์ดก็ช่างมันหูจะพังก็ช่างมันอะไรจะพังก็ช่างมัน จะเอาเนี่ยเอาการปฏิบัติเอาไว้เป็นหลักเนี่ยนะท่านก็เลยนั่งยอดอีกพอ nang yod อ, อีกมันก็ไม่หายหมอก็บอกเป็นยังไงพระคุณเจ้าก็เขบอกก็ยอดแล้วก็ไม่หายท่านก็นไม่พูดนะก็เอาอย่างงี้นะว่าตั้งกันนี้ไปเนี่ยท่านอย่าบอกว่าผมรักษาท่านแล้วผมก็จะไม่บอกว่าผมเป็นคนรักษาท่านอีกมันจะเสียชื่อผมเพราะท่านไม่ทําตามเงื่อนไขเลยนะคือให้นอนยอดท่านก็ไม่ยอมนอนนอนยอดเนี่ยนะเดี๋ยวจะเสียชื่อผมหมด เพราะฉะนั้นเนี่ยเออถึงจ่ายยาไปแล้วก็ไม่ได้ว่าเป็นเครื่องรับรองว่าจะหายแน่หรือไม่หายแน่ไม่รู้ฉันหรือไม่ฉันก็ไม่รู้เนี่ยนะเพราะองค์ประกอบมันเยอะเหลือเกินนะการที่จะตอบอะไรโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องดูปัจจัยเนี่ยนะก็หนักๆเข้าจาคือคือตอบไม่ได้ส่วนเดียวแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีข้อมูลอะไรเลยเออไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ปลาไหลแบบนั้นอีกนะมันก็มีเหตุมีผลไม่หมดเล ที่น่าสนใจดีว่ามีสาววชเวยถ้าทําตอนหนุ่มวัยักตอนแก่ทําตอนเด็กเเออเงื่อนไขโดยรดยมากคือทำตอนเด็กตอนแบ่งแบ่งเป็นสามวัยนะแบ่งชีวิตเป็นสามวัยปฐมวัยมัชิมวัยแล้วก็ปัชชิมวัยเนี่ยนีปฐมวัยโดยมากสามารถให้ปฐมไวัยได้คือสามารถให้วัยสามได้ ถ้าทำมัชชิมะไวก็ให้ในมัชชิมะไวได้แล้วให้ปัจชิมไวัยได้ทีนี้สามารถนะแต่ต้องดูปัจจัยประกอบการลัติอุปธิประโยคะยนะสูตรเขามีเลยการลัติอุปทิปโยคะแต่ถ้าจะให้ผลแน่นอนที่ถิ่ทำเลยเงื่อนไขเขามีอยู่สี่ข้อหนึ่งสัตว์วัตถุนั้นได้มาโดยสุจริต 2. ทายกมีศรัทธาในการสามเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดมีกรรมประกอบด้วยนะกรรมมศกตาประกอบอแล้วก็ผู้รับเนี่ยเป็นพระนาคามีหรือพระอรหันต์และอีกข้อหนึ่งคือต้องหลังจากออกนิโรธสมาบัติใหม่ๆอันนั้นเนี่ยจะไม่เกินภายในเจวันอันนั้นที่จะทำแน่นอนแต่ถ้าเป็นธรรมดาทั่วๆไปเงื่อนไขอื่นๆก็ไม่มีอะไรแน่นอ น, นออว่าจะมีวิบากจริงหรือไม่จริงนลยคือ จริงๆแล้วทีนี้ปัญหาสำคัญว่าเราจะรู้ว่าวิบากเนี่ยมันให้ผลเช่นบางคนก็ให้ผลทางทวีปัญจะมากอยู่แล้วเนี่ยนะคือก็ช่เช่นทวารตาก็เห็นปกติเห็นแต่สิ่งที่ดีอยู่แล้วนะแล้วยังบอกว่ากรรมไม่ให้ผลสักทีหนึ่งเนี่ยนะซึ่งซึ่งต้องไปแยกว่าไอ้คำว่าบุญให้ผลไม่ได้ให้ผลแบบว่าเออบัญชีขึ้นตัวเลขมาสิบล้านขึ้นมาทันทีไม่ใช่ลักษณะนั้นเช่นให้ให้ผลเป็นทวีปัญจะ ให้ผลเป็นโสตะได้ฟังเสียงที่ดีกลิน่นที่ดีรับรสที่ดีทุกขะกายวิญญาณไม่เกิดอะไรไม่เกิดเนี่ยนะคือบางอย่างมันให้ผลในทวีปัญจะไม่ได้ไปให้ผลเป็นจํานวนว่าถวายรถวันนี้แล้วเดี๋ยวรถเขาเอามาประเคนวันหลังเลยใช่อย่างนั้นเ <c oughs> นี่ยนะก็ต้องรู้ว่าไอ้ตัวเหตุมันคืออะไรตัวผลมันคือคือส่วนไหนเนี่ยนะ ซึ่งบางคนเนี่ยก็ทําบุญเนี่ยซึ่งบุญก็รักษาให้เป็นอุปนิสัยให้อายุยืนขึ้นอะไรขึ้นซึ่งจริงๆแล้วตัวเองควรจะอายุสั้นกว่านั้นแต่ด้วยบุญรักษาเอาไว้เนี่ยคือเงื่อนไขเหตุผลมันมีตั้งตั้เยอะแยะไปหมดเลย <c oughs> แต่เงื่อนไขที่มันเห็นเห็นอยู่โดยมากก็เป็นเงื่อนไขที่มนุษย์บัญญัติขึ้นกันเองแต่แกฆ่าสัตว์นะถ้าฉันจับได้ก็ตัดคอแกเลยนะอย่างเงี้ยนะถ้าแก เปกลักณของเนี่ยปรับเท่านี้เลยเนี่ยนี้มันเห็นเนอันนี้คือกติกาที่ที่มนุษย์บัญญัติกันขึ้นแต่ถ้าโดยในแง่ของกรรมแล้วก็อย่าลืมว่าปัจจัยเนี่ยนะคือคติก่อนอันดับแรกแต่นี้เรากําลังพูดถึงตัวคติอยู่นะที่จริงเมื่อมีคติแล้วอ่ะวิบากจะให้หรือไม่อยู่ที่อุปธิอ่ะ น, นะที่อุปธิจะได้หรือไม่ได้อยู่ที่กาละทีนี้เมื่อกาละได้อุปธิได้นะแต่ประโยคะไม่ดีเช่นว่านะ ปกตินี่ควรจะขอบสอบเข้ามหลาลัยได้ใช่คติก็เป็นมนุษย์อุปธีก็ดีเนี่ยนะพค่าก็ดีกาละก็ดีสมัยเขาสมัครแต่ว่านังสือไม่ดูอะไรเลยเนี่ยนะไปกากขอ ข, อของงเอาอย่างเดียวนะเดาเอาทั้งปีงี้มันก็ควรจะตกอยู่แล้วเนี่ยนะประโยคะเสียหายมาก <c oughs> อันนะกรรมอดีตผ่านไปทีนี้กรรมปัจจุบันบ้างกรรมปัจจุบันนี้จะเป็นยังไง กรรมมีอยู่จะเป็นข้อเจ็ดใช่ไหมกรรมมีอยู่วิบากมีอยู่กรรมกับลกกรรมชาตินี้ผลชาตินี้ข้อต่อไปก็บอกว่ากรรมมีอยู่วิบากไม่มีเนี่ยไอ้ที่ทำชาตินี้สามารถทั้งให้ก็ได้ไม่ให้ก็ได้ อันนี้ถ้าเป็นมีอยู่ก็คือปัจจัยพร้อมที่ไม่ไม่สามารถให้ผลได้เพราะปัจจัยด้านอื่นๆไม่พร้อมเราต้องคิดอีกอย่างหนึ่งว่าวิบากเนี่ยมันให้ผลเป็นอะไรให้ผลเป็นทวีปัญจะเช่นนะจะยกตัวอย่างให้ผลเป็นทวีปัญจะถ้าแสงไฟมันดับอย่างนี้นะปกติเราจะเห็นสวยสวยมากสมมติว่าวันเนี้ยเป็นวันที่เขาทาแสงสีใช่ไห ปกติแล้วก็เงื่อนไขอื่นๆพร้อมหมดวันนั้นฝนตกฟ้าร้อนแล้วก็รถไปชนเสาไฟนี่สายไฟมันขาดไฟดับหมดเลยไอ้ประกาศไอ้ประกวดสีที่ว่าเนี่ยเลยอดดูเลยอย่างเงี้ยนะ <c oughs> เพราะาอะไรเพราะว่าปัจจัยด้านอื่นๆต้องต้องพร้อมด้วย น, นะ <c oughs> โดยเฉพาะปกกระตูปานิสยาปัจจัยนี่ก็ก็สำคัญ <c oughs> นี้เขาต่อไปอีกนะว่ากรรมมีอยู่ วิบากจักมีเธอเนี่ยที่ที่เรากําลังทําอยู่ทุกวันเนี่ยนะเห็นกรรมเนี่ยมีอยู่วิบากจักมีเช่นบางอย่างก็ทิฏฐธรรมเนี่ยบางอย่างก็อุปัชาบางอย่างก็อภราป ร, ปริยะเรียกว่ากรรมมีอยู่วิบากจักมีกรรมมีอยู่วิบากจักไม่มี ผู้ ก, การจะควรจะให้มีหรือไม่ให้มีของอย่างนั้นนะกรรมเนี่ย ม, มีมอยู่แล้ ว, วนะที่มาพูดมานั่งฟังพูดคุยกันเนี่ยตรวจหนังสือทุกวันเนี่ยกรรมมีอยู่แล้ววิบากเนี่ยจักมีหรือจักไม่มีเงินไขายอะไรเขาบอกว่าถ้าจักไม่มีเนี่ยหมายถึงปรินิพานหรือว่าไปทำปัจใจัยในชาติหน้าให้มันบกพร่องซะประโยค่าอย่างมากไปตัดปัจจัยบางอย่างนะวิบากก็าจักไม่มีนะ แต่ถ้าไม่ได้เงื่อนไขคืออรหัตตะมักมาตัดกิเลสที่เป็นต้นเชื้อนะจักมีอันนี้นี้มีอยู่นี่แปลว่าผลปัจจุบั น, นชาตินี้นี่ เ, เรียกว่าผลในอนาคตนี่นะก็เป็นสี่ข้อด้วยกันนี่เหตุปัจจุบันผลปัจจุบันและผลในอนาคตทีนี้ข้อต่อไปนี่นะก็จะเป็นกรรมอนาคต อนาคตกรรมคือข้อที่11ว่ากรรมจกมีวิบากจากมีชาติหน้าก็เกิดมาทำกรรมใหม่แล้วก็จกมีวิบากต่อไปกรรมเนี่ยจกมีเป็นข้อ12บสเลยวิบากจากไม่มีหมายใา้ว่าถ้าไปปฏิบัติ จนเป็นท่ารหันเป็นต้นเนี่ยนะก็จะไปตัดเช่นว่าไปไม่มีที่ศาสนาภศิอานนะสมมุติอย่างเงีนะ้แต่ว่าสังสารวัตเนี่ยจะอยู่ด้วยเงื่อนไขกรรมเหล่านี้นี่ยบสอเนี่ ย, เ, ยเพราะฉะนั้นเหตุอดีตสามารถให้ผลในอดีตก็ได้ไม่ให้ผลก็ได้เหตุอดีตให้ผลปัจจุบันก็ได้ไม่ให้ผลก็ได้เหตุอดีตให้ผลอนาคตก็ได้ไม่ให้ผล อนาคตก็ได้เหตุปัจจุบันให้ผลปัจจุบันก็ได้ไม่ให้ก็ได้เหตุปัจจุบันให้ผลอนาคตก็ได้ไม่ให้ก็ได้เหตุอนาคตจกมีผลหรือไม่มีผลจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้ถามว่าทําไมจึงเป็นอย่างนั้นเนื่องจากประโยคะตัวเดียวเนี่ยนะว่าว่าจําจกมีผลหรือไม่มีผลอยู่ที่ประโยคทีนี้คําว่ากรรมตัวนี้เนี่ยนะเป็นศัพท์ที่ เป็นทั้งกุศลและอกุศลกุศลก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะอกุศลก็อยู่ในเงื่อนไข12อย่างนี้เหมือนกันทั้งกุศลอกุศลกรรมดำกรรมขาวเป็นเหมือนกันกรรมมีโทษกรรมไม่มีโทษกรรมมีสุขเป็นกรามไรกรรมมีทุกข์เป็นกรามไรก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันเนี่ยคือกรรม12 <c oughs> นะพอจะสรุปได้ง่ายๆว่ากรรมอดีต มีมีแล้วกับไม่มีแล้วอนะกรรมอดีตกาลังมีกับไม่มีอันนี้คือเหตุอดีตผลเหตุอดีตผลอดีตเรียบร้อยละก็สองบอกกรรมอดีตกาลัง ม, มีก็ไปจักมีสิเนาะ จากมีกับจากไม่มีเนี่ยนะก็เป็นหข้อนะข้อหนึ่งสองสาี่หส่วนกรรมปัจจุบันกําลังมีกําลังไม่มีเนี่ยนะกรรมปัจจุบันจากมีกับจากไม่มีอันนี้ก็เป็น ข้อที่ 7, 8, 9, ด0ดบทีนี้กรรมอานาคตนะจะจมีกับจกไม่มีเนะเป็น1 0 1เ อ, อขอไปเเพราะฉะนั้นถ้าถ้าดูตามเงื่อนไขเหล่านี้นะชีวิตเนี่ยจะพ้นจากวัตตะหรือไม่อยู่ที่ความเพียรอยู่ที่ประโยคน์ใช่ไหมวิริยนะทุคัะเจตินะเราจะพ้นจากวัตทุหรือไม่พ้นเนี่ย เงื่อนไขเหล่านี้อยู่ที่ใครก็อยู่ที่บุคคลนั้นนั่นเองเห็นะหชาติหน้าจะจะไปปฏิสนธิในอาบายหรือไม่ปฏิสนธิในอบายก็ก็อยู่ที่ปัจจัยเหล่านั้นใครไม่เข้าใจบ้างยกมือขึ้นก็คืออืม สมมติอย่างข้อหนึ่งนะกรรมมีแล้วใช่ไหมทำไปแล้ววิบากก็มีแล้วเช่นทำบาปไปแล้วข่าสัตว์ไปแล้วตกนรกไปแล้วอดีตชาตินะอานี่ น, นี่เรายกเฉพาะดวงที่เจ็ดมาก่อนดวงที่เจ็ดของอดีตชาติเช่นบางชาติปาณาติบาตไปแล้วตกนรกเรียบร้อยแล้วบางชาติทำปาณาติบาตแต่ไม่ได้ตกนรกหรอกหลังจากชาตินั้นเห็นไหย แต่ว่ามันคนละชาติกันเนี่ยนะในบรรดาชาติเยอะๆเนี่ยอจะต้องดวงที่7อย่างเดียวนะชาติทับฆ่าสัตว์ไปแล้วตกนรกไปแล้วฆ่าสัตว์แต่พระอื้ไม่ได้ตกที่ไม่ได้ตกเพราะบุญอย่างอื่นอุ้มไว้เช่นตกยุงเนี่ยนะตัวนั้นปกติควรจะนําตกแต่ไม่ตกอย่างนั้นนะทีนี้ต่อไปอถ้ากรรมมีแล้ววิบากกําลังมีที่เป็นบาปนะก็เช่นอกุศลวิบากของชาตินี้เรามีไหมเห็นสีที่ไม่ดีฟังเสียงที่ไม่ดีกรรมอดีตมีแล้วเนี่ย วิบากกําลังมีแต่ว่าบาปบางอย่างเนี่ยมันควรจะมีะทําไปแล้วแต่ว่าวิบากตอนนี้ไม่ได้มีเช่นว่าตอนที่เราอิ่มอย่างเงี้ยนะบุญวิบากที่เราทําประเภทเหตุให้อดเนี่ยมีอยู่แต่ว่าบุญบางอย่างอุปธรรมมาตัดไอบาปอันนั้นก็ไม่มีโอกาสให้ผลเพราะไม่ได้ปัจจัยเนี่ยนะคือบาปถึงทําไว้แล้วนะต้องได้ปัจจัยนะจึงจะให้ผลได้นี่ข้อต่อไปอีกถ้ากรรมมีแล้ว บาปนี่ทำไว้แล้วสมมติว่าชาติที่แล้วทำกรรมไวน้นะดวงที่สองถึงดวงที่หนนำตกนรกได้ขอไม่ใช่กรรมชาตินี้นะกรรมของอดีตชาติอย่างที่ถ้าใครเรียนพรมนารถกัสปะชาดกนี่จะเห็นชัดนะพระนนเนี่ยอดีตชาติพระนนเกิดเป็นบุตรเศรษฐีช่างทองโอร่ำรวยมหาสารผิดกาเมบาลตายแล้วไปเกิดเป็นลูกเศรษฐีรักษาศีลปดโห เราเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีใจบุญตายและตกนรกเนี่ยนะพอตกนรกพ้นจากนรกเกิดเป็นเดรัจฉานอยู่ตั้งหลายชาติพ้นจากเดรัจฉานไปเกิดเป็นนางฟ้าหลังจากพ้นจากนางฟ้าแล้วก็มาเกิดเป็นราชาธิดาจากราธิดาเกิดนางฟ้าตอนหลังจึงมาเป็นผู้ชายคืนเนี่ยนะวันมันไม่ใช่ว่าทําวันนี้ทําชาตินี้แล้วจะต้องให้พ้นชาติหน้าเสมอไปก็เพราะ ให้ผลชาติหน้าได้คือดวงที่เจ็ดดวงเดียวแล้วดวงที่สองถึงดวงที่หกล่ะบางทีดวงที่เจ็ดนี่มันยังไม่มีโอกาสให้ผลถามว่ามันจะให้ผลหรือไม่เนี่ยอยู่ที่ตรงไหนอีก ถ, ถ้าการวิเคราะห์ถึงกรรมจะให้ผลหรือไม่นะถ้าตั้งคำถามใหม่ว่าชาติหน้าเนี่ยสา น, นวนว่าคำว่าไปนะครับไปดีไปไม่ดีเนี่ยคำว่าไปเนี่ยบาลีแปลว่าอะไร แปลเป็นบาลีคติเขาบอกเข้าไปดีแล้วก็คือสุคติแล้วแต่คติมันไม่ใช่ดีอย่างเดียวใช่ไหมมี2คือทุกกับสุทุกมี3นรกเปร ت, ตเตระชานสุ ก, ก็มี2คือมนุษย์กับเทวดาเพราะฉะนั้นจะไปดีหรือไม่ดีนี้ก็คงเดี๋ยวพักนกันคือตั้งคำถามลักษณะว่าทำงานแล้วเนี่ย สมมติเหตุคือการทำงานวิบากคืออุปมาเหมือนเงินเดือนเนี่ยนะถ้าทำแล้วจะได้รับวิบากหรือไม่รับเหมือนกับว่าทำงานแล้วจะได้รับเงินเดือนหรือไม่ทีนี้ผลเนี่ยวิบากโดยสัพแปลว่าผลแต่นี้หมายถึงวิตัววิบากจิตตัวตัวมหาวิบากตัวอะถ้าโดยชจิตนะอกุศลวิบาก 7, มหาวิบาก8อาหิตกากุศลวิบาก8พวกวิบากพวกนั้นที่กำลังพูดถึง วิบากแปลว่าผล อืก็ก็เซาบๆอยู่ตั้งหลายคำแล้วกำลังไ่ว่านานๆเจอกันทีแต่ละเรื่องมันน่าคุยไปหมด แต่ว่าไม่มีใครพูดเกินขันห้าเลยเนะอยู่ในขันห้านะี่แหละทำไมปลารบขันนาดีตก็ขันนะนาคตไม่ปลารบขันนนาคตก็ขันปัจจุบัน